เพื่พากันตั้งใจให้แน่วแน่มีสติสัมปชัญญะสำรวมจิตใจของตนให้ดีถึงเวลาที่เราจะมาฝึกจิตใจกันแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปมุ่งหวังไปในทางอื่น ใ้มุ่งมาดูจิตดวงนี้อันเป็นความรู้สึกนึกคิดอยู่ในปัจจุบันนี้ที่ดวงนี้มันเป็นยังไงทำไมพระศาสดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้ฝึกทั้งนี้ก็เพราะว่าที่ดวงนี้ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสตัณหา ยังถูกกิเลสตัณหาครอบงำย่ายีอยู่เพราะฉะนั้นจึงจาเป็นต้องฝึกฝนนั่นเองนะถ้าไม่ฝึกขนแล้วจิตนี่มันก็เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อจิตเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วก็มองไม่เห็นน้นทางออกจากทุกข์ได้ มีแต่ความสะดุ้งหวาด ก, กลัวเป็นพื้นกลัวอะไรกลัวทุกข์กลัวตายนี่น่ะที่จิตมันกลัวอยู่นี่นะกลัวทุกข์ก็ไม่ต้องการอยากให้ร่างกายนี่มันเจ็บไข้ได้ป่วยทุดโทมไปพอรู้ว่ากายร่างกายอันนี้มันทุดโทมลง วิบัติลงอก็เป็นทุกข์ใจแล้วเดือดร้อนแล้วกลัวกลัวตายอเออเรานี่เจ็บลงขานี่เห็นจะต้องตายเสียแล้วจะต้องตายพลัดผ่าจากของรักของชอบใจต่างๆเสียแล้วพอนึกได้อย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เสียใจอเศร้าโศกไป อย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าจิตใจที่มันตกอยู่ภายใต้อานาจของกิเลสแล้วมันจึงมีแต่ความกลัวความสะดุง้งกวนีผู้ใดละกิเลสละความยึดความถือในขันหานี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเสียได้ผู้นั้นไม่กลัวเลยไม่สะดุ้งเลย แม้ว่าโรคภัยไข้เจ็บมันจะบีบคั้นร่างกายนี้อย่างไรมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่สะดุ้งหวากลัวต่อความตายเพราะมองเห็นชัดด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วว่ามันไม่มีคนตายไม่มีเราตายไม่มีเขาตายมีแต่ธาตุสี่ขันห้ามันแตก สามคัคีกันมันมันไม่ปลองดองกันอยู่เด็ดตันหาครอบงําย่ยํายีอยู่เพราะฉะนั้นจึงจําเป็นต้องฝึกขนนั้นเองนะถ้าไม่ฝึกขนแล้วจิตนี่มันก็เศร้าหมองขุนมัวอยู่อย่างนั้นเนี่ยเมื่อจิตเศร้าหมองขุนมัวแล้วก็มองไม่เห็นน้นทางออกจากทุกข์ได้ มีแต่ความสะดุ้งหวาดกลัวเป็นพื้นออกลัวอะไรกลัวทุกข์กลัวตายนี่แหละที่จิตมันกลัวอยู่นี่นะกลัวทุกข์ก็ไม่ต้องการอยากให้ร่างกายนี้มันเจ็บไข้ได้ป่วยสุดโทมไปพอรู้ว่าการ่างกายอันนี้มันสุดโทมลง วิบัติลงก็เป็นทุกข์ใจแล้วเดือดร้อนแล้วกลัวกลัวตายเนอเอเ่านี้เจ็บลงข่าวนี่เห็นจะต้องตายเสียแล้วจะต้องตายพลัดพากจากของรักของชอบใจต่างๆเสียแล้วพอนึกได้อย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เสียใจเศร้าโศกไป อย่างนี้นะอ น, นี่เรียกว่าจิตใจที่มันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสแล้วมันจึงมีแต่ความกลัวตวามสะดุง้งและนี่ผู้ใดละกิเลสละความยึดความถือในขันห้าี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเสียได้ผู้นั้นไม่กลัวเลยไม่สะดุ้งเลย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 สามัคคีกันมันมันไม่ปรองรองกันอยู่ได้เพราะมันหมดบุญหมดกรรมที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนเฉะนั้นธาตุสี่ขันห้ามันจึงแตกสามัคคีกันออกไปมันไม่ใช่มีเรามีเขาอะไรอยู่ในนั้นนี่เมื่อมาพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้นะมันก็ไม่สะดุ้งวาดกลัวต่อความตาย พอมันมองดูแล้วว่าไม่มีคนตายไม่มีเราตายไม่มีเขาตายมีแต่สังขารมันเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนในถ้ำกลางแตกดับในที่สุดเท่านั้นไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในนั้นเลยที่ว่ามีสัตว์มีคนนั้นก็สมมติเอาตังหา เมื่อละสมมุติอันนั้นเสร็จแล้วมองดูตามความเป็นจริงแล้วมันก็มีแต่สภาวิชาติสภาวธรรมเท่านั้นอาศัยกันอยู่เช่นสภาวิชาติก็ได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมหรือธาตุหกเพิ่มอากาศสัจธาตุวิญญาณธาตุเข้าไปด้วยก็เป็นหกก็มีเท่านี้แหละสภาวิชาติทั้งหลายเนะี่เมื่อลบสมมุติว่าสัตว์วัตถุคคลออกไปแล้ว มันก็ยังเหลือแต่ธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในนั้นเลยอันนี้จะต้องย้อนเข้ามาถามตัวเองพิจารณาให้มันเห็นแจ้งในไตรลักษณะญาณอย่างนี้มันก็จึงไม่หลงไม่เมาไปในสมมตญญุติบรญยัตต่างๆนั้น <c oughs> อันสมมุติบรญยัตินี้ไม่มีสิ้นสุดเลย เพราะว่าสังขารทั้งหลายมันเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วมันไม่ดับเลยมันเป็นอยู่อย่างนั้นล่ำไปอย่างนี้นะอะมันก็ไม่ไม่น่าหวาดกลัวอะไรถ้าเป็นอย่างนั้นนะอันนี้มันไม่เป็นอย่างว่าที่นั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างถึงได้รู้แจ้งแล้วว่ามันเป็นมาด้วยเหตุปัจจัย ทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งเดๆฉานทั้งต้นไม้ใบหญ้าหมูลนี่นะมันมีเหตุปัจจัยนำให้เกิดทั้งนั้นเลยมันเป็นอย่างนั้นแต่มันต่างกันตรงที่ว่าคนเราเนี่ยก่อนตายนี่มันก็ได้ทำคุณงามความดีบ้างทำความชั่วบ้างตามแต่บุคคลผู้นั้นจะพึ่งคิดเห็นอย่างไร ในเรื่องดีเรื่องชั่วเพราะฉะนั้นกรรมชั่วที่ผู้นั้นทำนะมันก็จึงติดสอยห้อยตามไปทุกแห่งทุกผลแล้ววันนะี้เมื่อมันได้โอกาสเวลาอะไมันก็ให้ผลเมื่อนั้น <c oughs> ถ้าหากว่าเมื่อกรรมดียังให้ผลไปอยู่กรรมชั่วที่ทำมานะั้นมันก็ยังให้ผลไม่ได้ <c oughs> เป็นอย่างนั้น <c oughs> มันต้องรอไปก่อนคนเรามาเข้าใจผิดตรงนี้แหละทำความชั่วมามากมายแล้วไม่เห็นมันให้ผลอะไรเลยเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันจะทุกทนทรมานลงไปกว่าเก่าก็าไม่ได้ไม่ใช่มันจะเจริญยิ่งขึ้นไปก็ไม่ใช่มันย่อมเป็นกลางอยู่อย่างนั้นทำของจริงนะ มันเป็นกลางอยู่ <c oughs> จิตนี่เมื่อมันเป็นกลางแล้วมันก็ไม่ยึดเอาทุกฝ่ายเลยฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันก็ไม่ยึดเอาไว้แต่ฝ่ายดีนั่นนะกำหนดรู้ไว้เมื่อความดีมันเกิดขึ้นในใจนั่นแล้วมันจะได้ทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น หรือว่าทําให้ตนเองนั้นเบาบางจากกิเลสตัณหาไปเมื่อทําบุญกุศลให้เกิดมีในใจของตนมากๆขึ้นไปแล้วนะอะบุญกุศลนี่แหะจะทํากิเลสเบาประรับให้เบาบางลงไม่ใช่ว่าเราสั่งสมบุญกุศลไว้ดูโก้โก้เฉยเฉยไม่ใช่อย่างนั้นน ะ, ะเราสร้างบุญกุศลไว้ในจิตใจ ก็เพื่อเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้บาปอากุศลเกิดขึ้นได้ใจนี่มันจะอยู่ว่างๆไม่ได้เลยมันอยู่ว่างๆไม่ได้ถ้ามันไม่ไปติดพันกับบาปกรรมอย่างนีมันก็ไปติดพันกับบุญกุศลมันต้องเป็นอย่างนั้นบางคนตนไม่ได้คิดเองก็มีเพื่อนสนิทมิตรสหาย ผู้หวังดีต่อนั้นมาชักชวนมากระชิบเต่หูว่าเราม า, มาไปฟังทมกันเถิดเราจะได้ลาบอันประเสริฐทั้งในโลกนี้โลกหน้าเมื่อหากว่าเราฟังทมเรารู้ทำเห็นทำแล้ว <c oughs> อย่างนี้แหละเมื่อมีผู้มาชักชวนอย่างนี้นี่มันก็สมควรแท้ สมควรที่จะดำเนินไปตามคนเรานี่ถ้อยดีถ้อยอาศัยกันอย่างว่านันดังนั้นเราจึงได้อยู่กันเป็นหมู่เป็นพวกนั่นแหละพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ปรึกษาหาหรือกันช่วยกันคิดช่วยกันอ่านเมื่อมองเห็นช่องทางแก้ไขแล้วก็ลงมือแก้ไขกันไป ทำความดีไปนี่นะการที่แต่ละหมู่แต่คณนะมันจิตเจริญรุ่งเรืองได้ในโลกนี้เนะ่ะมันอาศัยความพร้อมเพียงสามัคคีกันการทําความดีก็พร้อมเพียงกันทําการละความชั่วก็พร้อมเพียงกันละเอ อ, อย่างนี้แหละ เดี๋ยวว่าให้มีคุณธรรมอันดีงามสม่ำเสมอกันไปอย่าให้มันยิ่งย่อนกว่าการเกินขอบเขตมันก็ช่วยไม่ได้แหละเช่นอย่างคนมีบาปมากมีบุญน้อยอย่างนี้นะแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังช่วยไม่ได้เลยหอคิดดูเมื่อพระ อ, องค์พิจารณาเห็นใครเป็นผู้มีกิเลสหนาปัญญาหยาบแล้วพระ อ, องค์เสด็จไม่ไปโปรดเลย เพราะว่าไปโปรดได้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไระเพราะคนพวกนั้นมีกิเลสหนาปัญญาหยาบพูดอย่างไรให้ฟังมันก็ไม่ยอมฟังหรอกไม่พอใจที่จะนำไปประพฤติป ฏ, ฏิบัติตามไม่มี <c oughs> <c oughs> นั่นแหละเพราะฉะนั้นนะ่ะทุกค น, นจึงมามองดูตนของตนนี่ก่อน <c oughs> เมื่อเห็นว่าเรานั้นยังบกคร่องอยู่ในทางธรรมทางวินัยอย่างใดในทางศีลในทางสมาธิในทางปัญญานี่ยังบกคร่องอยู่อย่างไรดูตรงไหนพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นโดยลําดับไปอย่างนี้นะนั่นแหละจึงเรียกว่าผู้ผู้นั้นคิดพึ่งตนเอง เอาเอาพระธรรมนั้นเป็นที่พึ่งคนไม่คิดถึงพระธรรมก็เทว่าวไม่คิดถึงตนนั่นเองเลอถ้าคิดถึงพระธรรมมันก็ต้องคิดถึงตนรู้ว่าพระธรรมอยู่ที่ไหนพระธรรมอยู่ที่ใจดวงเดียวนี่เองไม่ได้อยู่ที่อื่นถ้าใจดวงนี้ไม่มีอยู่ในร่างกายนี้แล้วพระธรรมก็มีไม่ได้ไม่มี เพราะนั้นจึงว่าถ้อยถ้อยอาศัยกันนะ mm hmm. ถ้าไม่มีกายไม่มีจิตนี่ทำของจริงก็ไม่ปรากฏนั่นแหละใครเราจะไปเอาธรรมะมาชี้แจงแสดงถู่กันฟังไปทำไมในเมื่อไม่มีคนรู้ไม่มีคนเห็นตามอ mm ่ะ hmm. นั่นแหละคนมีบุญน้อยอ่ะ ไม่ค่อยจะชอบศีลชอบธรรมเท่าไหร่นักคนมีบุญน้อยคนมีบุญมากนี่ชอบหลายชอบศีลชอบธรรมชอบการบุญการกุศลต่างๆงูนี่นะเลยสังเกตเห็นบุคคลบางคนแหละแหมท่าเรื่องทำกิจกรรมเกี่ยวกับการบุญการกุศลขยันหมั่นเพียรไปทางไหนก็ ลุกกับครองแควเดินไปกับครองแค่นั่งอยู่กับครองแค่ดีไอคนใจบุญนี่นะคนชอบบุญนะมอนเป็นอย่างนั้นกลวงเงินข้ามกับคนชอบบาปคนชอบบาปนี่ไม่ยอมฟังเสียงใครใครจะตักเตือนอย่างไรก็ไม่ยอมฟังเลยอย่างนี้แหละ <c oughs> เพราะว่าคนชอบบาสนี่มันทําให้กายวาจาใจนั้นแข็งกระด้างเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมทําตามใครอ่ะนี่แหละกิเลสนี่มันทําใจให้แข็งกระด้างกงกนข้ามกับธรร ม, มะมันทําใจให้อ่อนโยนอ่อนน้อมเออป็นอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเน่ย พวกเราเหล่าพุทธบริษัทควรพากันมีโยนิโสมนสิการเรื่องเฟ้นธรรมอันเกิดขึ้นในจิตใจของตนให้ได้เพราะว่าใจของบุทธชนนี่บางทีมันก็คิดเป็นบุญกุศลไปบางทีก็คิดเป็นบาปไปก็มีอย่างนี้แต่มันไม่แน่นอนเลยดังนั้น พระศาสดาจึงได้ทรงแสดงแนวทางปฏิบัติไว้ให้พุทธริสัชน์ลงมือปฏิบัติจิตดวงนี้แหละให้เข้มแข็งอให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเบื่อหน่ายต่ออกุศลธรรมที่มันจะ น, นำตนให้เป็นทุกข์ไปในทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอย่างนี้นะนั่นแหละผู้ใดเบื่อ กิเลสบาปประรมแล้วผู้นั้นก็จะมาสนใจในธรรมอันเป็นกุศลแบบนี้ธรรมอันเป็นกุศลก็คือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงนี่นะทำสามอย่างนี่แหละทำที่เป็นกุศลนะควรพากันใส่ใจไว้ว่าในใจของเรามีไหมมีธรรมเหล่านี้หรือไม่ ความไม่โลภคือไม่อยากได้สมบัติของใครมาเป็นของตนเลยตนมีเท่าไหร่ก็จะบริโภคใช้สวยอยู่เท่านั้นแหละจะไม่ไปยื้อแย่งเอาสมบัติผื่นมาเรียงครอบครัวตัวเรือนของตนลาย <c oughs> อย่างนี้นี่มันก็สามารถถือสันตุสีตามมีตามได้ถือไปได้เลยคุณธรรมข้อนี้ะ สุดแล้วแต่ตนแสแวงหามาได้ด้วยเต็มความสามารถแล้วได้สมบัติเข้าของมามากหรือน้อยเท่าไรเราก็ยินดีบริโภคใช้สวยอยู่อย่างนั้นโดยเฉพาะถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้นะมันก็ยิ่งจำงหมายมากเลยคุณธรรมข้อนี้เนี่ยคือสันโดษนี่นะเพราะเป็นนักบวชที่มีชีวิตเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นเป็นอยู่ ดังนั้นก็ต้องทำตนให้เขาเรียงง่ายในทาศธารรมสูตรนั่นนะที่ศาสตราทรงแนะ น, นาพุทธบริษัททั้งหลายเนะี่ยอย่าไปทำตนให้เขาเรียงยากอ่าอย่างนี้แหละบางคนก็มาอยู่ป่าก็ไม่ได้เพราะมันอยู่ไกลหม้อข้าวหม้อแกงของชาวบ้านจะไปเรียกอะไรจากชาวบ้านมาขบชันก็ไม่ได้ ก็เลยไม่สามารถหนีออกจากวัดที่มีหมู่บ้านห้อมล้อมอยู่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสป่าประธรรมออกจากจิตใจได้เพราะเหตุว่าจิตใจนี่มันต้องมีกำลังเข้มแข็งจึงค่อยได้ การที่ใจจะมีกำลังเข้ ม, ขมแข็งก็เพราะฝึกเช่นหัดอดหัดทนต่อคำด่าว่าเสียดสีต่างๆนั้นนไม่โกรธไม่ให้มันโกรธอย่างนี้นะหัดอดหัดทนต่อความอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกนี้นี่ เราเป็นสมณะเพศอย่างนี้มันต้องถือสันดุถีตามมีตามได้ญาติโยมถวายสิ่งใดมาเห็นว่าไม่ผิดทาไม่ผิดวินัยแล้วเราก็รับไปจะเป็นของมีราคามากมีราคาโน้อยังไงก็ทำความพอใจในทยทานอ น, นั้นนี่สำหรับพระภิกษุสามเณรเนีน่ยนันต้องเป็นอย่างนี้คงทำตนอย่างนี้ แม้ชาวบ้านก็เหมือนกันนะมันก็ต้องถือสันตุถีตามมีตามได้จนแสวงหาทาการทำงานเต็มความสามารถแล้วมันได้เงินได้ทองมาเท่านี้อย่างนี้นะเราก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่าที่มันมีได้ <c oughs> ถ้าไม่จะเป็นจริงๆแล้วไม่ไปกู้หนี้ยืมสินผู้อื่นมาเลย เพราะการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกพระศาสดาทรงตรัสไว้นับว่าเป็นความจริงเลยไม่ผิดแหละ <c oughs> ผู้เป็นเจ้าหนี้เขาก็ได้โอกาสเขาไปทวงถาม <c oughs> อา้าวตนผู้เป็นลกนูกหนี้ไม่มีจะให้เพราะเอาไปจ่ายหมดแล้วเงินก้อนนั้นนะอย่างนี้นะก็เดือดร้อนกันทั้งสองฝ่ายเลยวันนี้นะเหตุนั้นแหละก็องค์จึงตรัสว่า อินาดานังดุขังโรเก ค, ความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกดังนี้นี่ความเป็นหนี้บุญหนี้คุณก็ดีหนี้เงินหนี้ทองก็ดีเหมือนๆกันความเป็นหนี้เงินหนี้ทองนี่ดีไม่ดีก็ต้องได้ไปติดตารางเป็นอย่างนั้นความเป็นหนี้บุญหนี้คุณนี่ มันก็ทำให้วกเวียนอยู่ในโลกนี้ไม่ไม่รู้จะจบจากสิน้นเส้นอย่างว่าไปเกิดมาแล้วได้ไปเป็นคนใช้เขาเป็นคนใช้ในบ้านหลังใดหลังหนึ่งอย่างนี้นะเขาก็ให้อาหารและยรางวัลพอประทังประทังไปพอวันนั้นตนมีบุญวาสนาน้อยนี้จ <c oughs> ึงได้ถูกแค้คนอื่นเขาเอาไปขาย เอาเงินไปเลี้ยงชีพเขาเองตัวเองก็ตกเป็นทาสของเศรษฐีไปอย่างนี้นะอันนี้นาะฟาไม่สมควรอย่างยิ่งเลยบุคคลควรฝึกตนให้เข้มแข็งทำความดีอะไรให้มากๆเมื่อทำความดีให้มากแล้วความชั่วมันก็จะตามไม่ทันถ้าหากว่าทำความ ดีความชั่วเท่าๆกันแล้วไม่ไหวละการชั่วนั้นมันติดตอยห้อยตามไปทุกแก่งทุกหนเลยทีเดียววันนี้มันเป็นอย่างนั้นังนั้นอย่าปรารถนาให้กรรมอันชั่วล่ายต่างๆมันติดตอยห้อยตามไปเราต้องประคับประคองตนไว้ให้สม่มเสมอไปอันนี้แหละสำคัญมากขอให้พากันเข้าใจ สำคัญยังไงอ่ะประสำคัญที่บางคนทำความดีมามากๆเต็มที่แล้วเกิดประมาทขึ้นมาความดีนั้นเสื่อมตอนเองก็พอ่อยเสื่อมจากศาสนาไปด้วยไม่เข้าวัดฟังธรรมำจำศีลอะไรเลยเสีย ใ, ใจหลายของมีค่าหายไปหมูเนี้ย อันนี้ถ้าหากว่าบุคคลมาถือสันตุถีแล้วมันก็จะไม่เป็นอย่างนั้นเอาส่วนใดที่มันหายไปก็หายไปซะมันเป็นกรรมเป็นเวรของเราเองนี่แหละมีอะไรมามันก็ไม่กิรังยั่งยืนอยู่ได้นมนานอะไรเลยมีอันเป็นไปเลยอย่างนี้เลย นี่ความผิดหวังในโลกอันนี้นะมันย่อมมีทุกคนเลยถ้าใครไม่ฝึกจิตใจเข้มแข็งแล้วมันก็ต้องเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องที่มันผิดหวังนั้นร่ำไปทีเดียวนานเข้าก็เลยกลายเป็นโรคประสาทไปหรือเป็นโรคหัวใจอ่อนไปมันคิดมากเรื่องมันนะ อันนี้แต่เพราะฉะนั้นให้พากันคิดดูให้ดีเราทำคุณงามความดีอะไรต่ออะไรนี่ก็เพื่อให้ความดีเหล่านี้มันขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากกายว า, าใจนี่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วนะให้ทานก็เพื่อกำจัดความโลภความตนีหวงเห็นออกไป รักษาศีลก็เพื่อขจัดความโกรธความพยาบาทอันมีอยู่ในจิตใจนี้ออกไปเราภาวนาก็เพื่อที่จะขจัดความหลงความไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้นเหล่านี้นะนี่เมื่อไม่รู้อย่างนี้ท่านเรียกว่าขนหลงนั่นเนี่ยพาวนั้นเมื่อภาวนาเข้าไปแล้ว มันจะเห็นทางค้นทุกไปได้ด้วยการภาวนาก็ภาวนาลงไปแล้วมันก็ไปมองเห็นดวงกิดเนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนตอยู่งี้น ะ, ะก็นี่สิสาเหตุมูลเหตุแห่งทุกข์อะมันอยู่ตรงนี้นะอย่างนีน้ถ้ายังหลงสําคัญว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนตอยู่อย่างนี้ตราบใดนะ ทุก็ย่อมติดสอยห้อยตามไปอยู่ตราบนั้นความเอิดเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องมีอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมดาแต่บางคนก็ชอบซ้ำเป็นไรอะ่ะชอบเกิดแต่ไม่ชอบตายเมื่อรู้ว่าความตายจะมาถึงเขาเอาแล้วสะดุ้งวาดกลัวไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะเป็นอย่างนี้พอ ถ้ามีคนญาติปิดสหายไปเยี่ยมเยียนไปแสดงความเสียใจตกอกตกใจว่าเ อ, อ้ยเราไม่นึกไม่ฝันว่าเพื่อนจะเป็นอย่างนี้อย่างเยเสียใจแล้วร้องให้น้ำตาไหลมีใครไปทักท้วงไม่ได้เลยคนไม่มีคุณธรรมอันดีงามอยู่ในใจมันย่อมเป็นเช่นนั้นก็เพราะฉะนั้นเนล่ ในพึ่งพากันตั้งอยู่ในข้อวัตปฏิบัติเหล่านี้ด้วยความไม่ประมาทก็จะเป็นไปเพื่อความหลุดความพ้นไปจากกิเลสป่าประธรรมนี้ทีละน้อยละน้อยไปเราไม่ต้องเอามากหรอกละวันละเล็กวันละน้อยไปนี่ละไม่ถอยไม่สร้างมันขึ้นมาอีกอย่างเนี้ยมันต้องหมดลงได้วันหนึ่งให้ได้ พิเรศบากประธรรมเนี่ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้